สิกขาบทที่ 6. ภิกษุนีผู้อยู่คลุกคลีไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. จบยัติต้องอาบัาบ ต, ต, ตออบทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาจิตตี